เทศอบรมพระในคืนวันที่31ธันวาคมพศ2509ั25นกณวัดป่าบันตา จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนเราเป็นนักบวชเป็นผู้เปืืองภาระความกางังวล อย่างโดยสิ้นเชิงไม่มีความเกี่ยวข้องกังวลกับอิจขราวาชเจ้าเรือนซึ่งโ ล, โลกทำกันอยู่มุ่งหน้าเฉพาะการปฏิบัติตนให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อย สม่ำเสมอทั้งภายนอกภายในอันเป็นหน้าที่ของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆการปฏิบัติระาศาสนาต้องมองดู หลักของศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไว้นี่เป็นอันดับแรกซึ่งจะมองข้ามไปนิดหนึ่งไม่ได้อันดับที่สองเราเป็นผู้มาศึกษามุ่งหน้าไปหาครูอาจารย์ซึ่งนับแต่วันก้าเข้าไปถึงที่อยู่ของท่านพยายามสอดส่อง ไตรตรองดูทุกสิ่งทุกอย่างในความประพฤติที่ท่านพาดำเนินเราเห็นว่าถูกกับจริตจิตใจของเราว่าเป็นผู้จะสามารถแนะนำสั่งสอนเราได้ทั้งภายนอกและภายในโดยเรียบร้อยแล้วอันดับที่สามเป็นหน้าที่ของเราจะพยายามดำเนินให้ถูก ตามหลักของศาสนาธรรมที่ได้เคยศึกษาเราเียนมาและที่ได้สำมเนียกศึกษาจากครูอาจารย์หรือมู่เพื่อนที่เห็นว่าควรจะถือเอาได้ตั้งหน้าดำเนินไม่เกอนกระจากทางเดินของพระ หรือทางดำเนินของพระนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับนักบวชเราการไปการอยู่การทำการพูดการคิดทุกดัชนยานำความอยากเข้ามาให้เป็นผู้นำทางแต่โปรดได้นำธรรมะ เข้ามาเป็นหลักใจคือเข็มทิศทางเดินของการกระทาการพูดการคิดทุกดันการไปการมาให้มีหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์เรียบร้อยแล้วค้อยดำเนินตามหลักธรรมะจะชื่อว่าเป็นผู้มีความ ราบรื่นและสม่ำเสมอทั้งอยู่ทั้งไปทั้งความเคลื่อนไหวทุกๆุกอาการจะไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมะซึ่งเป็นเครื่องรับรองมาแต่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าว่าจะไม่สามารถยังผู้ดำเนินตามให้ถึงความพ้นทุกข์ได้เป็นลำดับท่านนักปฏิบัติโปรด พินิจพิารนาในหลักธรรมที่กล่าวเหล่านี้ให้มักยาได้นำความอยากเข้ามาเป็นครูอาจารย์จะกลายเป็นข้าศึกอยู่ก็จะไม่สะดวกสบายทั้งส่วนร่างกายและจิตใจไปก็จะไม่มีความราบเรือทุกชิดออกทุกทุกขณะ ไม่มีความเป็นธรรมเครื่องแก้จิตใจให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเลยแต่ถ้าได้นำหลักธรรมะที่กล่าวนี้เข้ามาสนิท ต, ติดใจของเราจริงๆไม่เคลื่อนคราดเป็นผู้ไกลกลองเรียบร้อยแล้วค่อยเคลื่อนไหวไปมา ทาพูดในกรณีที่ควรนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีสุ ข, ขโตอยู่ตลอดอิริยาหมดจะไม่มีทุกขโตเข้ามารังควานหรือเหยียบยำ่ำจิตใจอันเป็นของมีคุณค่าสำหรับเรา แม้แต่นิดหนึ่งการดูทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูเพื่อเราฟังเพื่อเราสิ่งใดที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพื่อเราแต่อย่าดูเพื่ออย่าดูอย่าฟังอยากไปเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริม สิ่งที่เคยพอกพูนอยู่ภายในหัวใจซึ่งเคยเป็นผู้นำทางมาแล้วเป็นเวลานานจะไม่มีสิ่งใดเป็นสิริมมงคลติดใจติดกายวาจาของเราผู้เป็นนักบวชซึ่งมุ่งทำอย่างยิ่งนักบวชต้องเป็นผู้หนักแน่น มีเหตุมีผลยาเป็นขวนนิสัยบกแวกคอนแคนอยู่ที่นี่ไม่สบายคิดว่าไปที่โน่นจะสบายไปอยู่ที่โน่นที่นั่นไม่สบายคิดว่าไปที่โน่นจะสบายมีล้วนแล้วตั้งแต่ปล่อยใจให้เป็นไปตามทางเดิน ของ ร, รมอันลามกที่เคยกระสิบจิตใจอยู่เสมอผู้มีความหนักแน่นต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาเห็นเหตุผลที่สมควรแก่กันแล้วจะยากลำบากขนาดไหนไม่ถือเป็นปัญหาสำคัญ แต่จะถือว่างานที่ตนได้พิจารณาซึ่งเห็นว่าชอบธรรมแล้วนั้นอย่างไรจะต้องสำเร็จขึ้นด้วยความสามารถของตนโดยแท้นี่คือนักบวชที่ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหนักพระธรรมวินัยที่สั่งสอนไว้อย่างไรให้ถือเหมือนดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้า มาประทานพระโอวาทโดยพระองค์เองอยาเห็นว่าเป็นเพียงตำรับตำลาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและเห็นว่าเป็นเพียงครูอาจารย์หรือเห็นว่าเป็นเพียงหมู่เพื่อนบอกกล่าวสั่งสอนเท่านั้นโปรดได้เห็นว่าทุกทุกบททุกทุกบาทมาจากที่ต่าง คือจากครูจากอาจารย์จากตำหนับตำราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระโอวาทที่ชอบทมซึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าพระองค์ท่านทรงพระเมตตาประทานไว้เฉพาะนาสาหรับเราทุกๆท่านโปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยนอกไปจากองค์ของศาสนา พระธรรมวินัยนั้นแหละคือองค์ศาสนาแท้รูปร่างเหมือนอย่างท่า น, านเราพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็มีอันนั่นเป็นประเภทหนึ่งแต่ก็ไม่ใหมายว่าไม่เคารพนั่นก็เป็นความเคารพอย่างยิ่งในพระองค์ท่าน แต่ที่พระองค์ท่านถือเป็นหลักอันความจริงและประจำศาสนธรรมเพื่อสอนโลกไม่ให้ผิดหวังนั้นคือพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นองค์ของศาสนาแท้เพราะทั้งสองนี้ออกมาจากพระไตรที่บริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือน เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะนิพพานนานหรือไม่นานจึงไม่เป็นปัญหากับพระธรรมวินัยจะนิพพานไปตามพระองค์เจ้าหรือไม่คำว่านิพพานนั้นหมายถึงธาตุขันธ์ที่สลายตัวไปธรรมชาติที่เป็นความเบิยสุดอันยิ่งหมายถึงความพระไทยของพระองค์ท่านไม่มี สมมุติเป็นเครื่องช้คือปล่อยวางสมมุติเครื่องชายที่เคยประกาศให้โลกได้เห็นได้ยินโดยสิ้นเชิงได้แก่ขันทั้งหานี้ยังเหลือแต่ความบริอสุดตวนลวนไม่สามารถจะทำหน้าที่โดยความเบริสุดเสียเองเพื่อประกาศสอนโลกได้เมื่อเป็นเป็นเช่นนั้น พวกเราจึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหายสูญไปแท้จริงความบริสุทธิ์ไม่มีส่วนใดที่จะขาดสูญไปให้โลกได้หมดความหมายในพระพุทธเจ้าพระธรรมคือหลักความจริงก็ไม่มีแง่ใดหรือส่วนใดจะสลายตัวไปเช่นเดียวกับ ธาตุขันอันเป็นส่วนสมมุติพอที่ผู้ปฏิบัติจะหมดหวังในการปฏิบัติธรรมะแล้วไม่มีผลเนื่องจากธทมได้สลายไปแล้วตามพระพุทธเจ้าความจริงแล้วพุทธคือความบริสุ์แม้จะไม่มีเครื่องสมมุติประกอบเข้าเพื่อประกาศ ประโยชน์ให้โลกได้รับดังที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนอยู่ก็ต่างแต่ธรรมชาติที่บริสุทธ์ต้องเป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นตลอดกาลเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อ ย, ยังทรงพระชนอยู่เวลาทำประโยชน์แก่โลกพระองค์ท่านก็ทำเวลาไม่ทำก็เป็นความบริสุทธิ์อยู่เฉพาะพระองค์ท่านเช่นนั้น นี่ธรรมชาตินี้ไม่มีการเสื่อมสูญไปตามสิ่งสมมตินิยมของโลกซึ่งอยู่ในไข่แห่งไตรลักษณ์เพราะเหตุว่าพุท ธ, ธะที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ไตรลักษณ์จะสลายหรือเปลี่ยนแปลงตัวไปตามโลกสมมติได้อย่างไรแม้ธรรมะจะเปลี่ยนไปบ้าง ตามสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนแก่เวนัยศัตว์ตามมัทยศัยของบุคคลนั้นนั่นมันเป็นอุบายของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ฉล า, าดจะทำประโยชน์แก่โลกทุกทุกชั้นที่สมควรจะได้รับประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่กำลังความสามารถของตนต่างหาไม่ในหมาย ความว่าธรรมะได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปความจริงนั้นอยู่ที่ไหนก็มีตลอดสายไม่เคยละความจริงหลักธรรมะก็คือความจริงจริงไม่มีการเคลื่อนไหวไปตามสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายหากธรรมะได้มีการเคลื่อนไหวหรือเอ็นเอียงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือโยโยนแล้วธรรมะก็เป็นแบบโลกโลก ไม่มีใครจะไว้วางใจวางใจได้จะถือเป็นแสนะหรือเป็นหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้แต่นี่ก็เพราะธรรมะคือเป็นหลักธรรมชาติทรงตัวอยู่โดยสมบูรณ์ใครจะชมเชยสรรเสริญก็ตามใครจะตำหนิติชมก็ตามใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามทำก็คือทมจะให้เป็นไป ตามความตาหนิติชมของคนนั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อผู้ปฏิบัติตามาศาสนธรรมซึ่งเป็นองค์แทนของาศาสตาแล้วก็เหมือนหนึ่งว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาด้วยข้อปฏิบัติของเรานี่เป็นที่ใกล้คิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยิ่ง นักไม่มีสิ่งใดจะสนิทชิดติดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาลุชผู้ปฏิบัติโปรดมองหลักธรรมคือาศาสดาไม่ได้อันตรธานสูญไปไหน ตามพระกายของพระองค์ท่านซึ่งเป็นสมมุติเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจหนักแน่นมีเหตุมีผลมีเครื่องยับยั้งช่างตวงตัวเองเสมอไม่ปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจ ซึ่งเคยเป็นมาและได้ผลอย่างไรบ้างเราผู้เคยคล้อยตามสิ่งเหล่านี้ทราบได้ด้วยดีหากจะเป็นนักสังเกตตัวเองนอกจากจัเป็นแบบที่ลอยลมไปตามปกติแล้วจะไม่มีทางทราบความถูกผิดของตัวเองผู้นั้นจะหาหลักเกณฑ์หรือตั้งตัวไปไม่ได้ถึงจะไปอยู่กับครูอาจารย์องค์ใดก็ สักแต่ว่าเหมือนกับทับพีที่เราคนอยู่กับแกงวันย่งคำแต่หารู้รสชาติแห่งรสแกงนั้นไม่ไม่เหมือนลิ้นแม้จะอยู่ห่างไกลกว่าทับพีก็าตามแต่เมื่อรถต่างๆเข้ามาสัมผัสแล้วย่อมทราบได้อีก นี่คือนิสัยของคนโง่กับคนฉลาดมีความแตกต่างกันอย่างนี้คนโง่จะไปอยู่กับท่านผู้ฉลาดอยู่กับท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่กับท่านผู้บริสุทธิ์เช่นพระพุทธเจ้าก็ตามผู้นั่นก็เป็นลักษณะของบุคคลผู้แบบทับพพีไม่ยอมปล่อยวางมันแหละ คือไม่รู้รสรู้ชาติแห่งความลึกตื้นหนาบางของธรรมะที่ท่านแสดงออกมาแต่ผู้มีความฉลาดเพียงผ่านเข้าไปก็ทราบความลึกตื้นหนาบางแห่งธรรมะที่ท่านสอนไว้จะก้าวเข้าไปสู่สำนักครูอาจารย์องค์ใดๆก็ย่อมทราบได้ดีในความลึกตื้น หนักเบาของสำนักนั้นๆของครูของอาจารย์องค์นั้นๆแล้วนำเข้ามาแก้ไขดัดแปลงตนได้ทันทีที่ได้ไปรับสัมผัสเช่นนั้นนี่คนประเภทนี้เหมือนกับลิ้นคอยจะรับรดรับชาตอยู่เสมอ ใจคอยจะรับรถรับชาติจากธรรมะไม่ยอมปล่อยวางนี่คือผู้จะก้าวหน้าทั้งข้อปฏิบัติทั้งด้านความขยันหมั่นเพียรทั้งด้านความเชีย่ยวลาดทั้งความรู้ภายในใจจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับลับเพราะทมที่ก่าวข้างหลังนี้สนับสนุน ท่านนักปฏิบัติทุกๆ ท, ท่านได้เคยผ่านครูผ่านอาจารย์ได้เคยผ่านตำรับตำราที่ท่านวางไว้เป็นแบบฉบับอันตายตัวมาจํานวนมากได้คิดสนใจกับธรรมะเหล่านั้นกับครูบาอาจารย์เหล่านั้นมาเพื่อตัเองอย่างไรบ้างหรือไม่โปรดคิดให้ถึงใจ ถ้าตั้งใจจะเป็นผู้สร้างตนให้เป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสง่าราศรีเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจวาสนาจากหลักธรรมคือการปฏิบัติอย่างเอากิงเอาจังโดยเสด็จพระพุทธเจ้าจริงๆโปรดคิดให้ถึงใจ อย่าดูเพียงผิวเผินอย่าคิดเพียงผิวเผินอย่าไปอย่ามาอย่าทาเพียงผิวเผินศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องผิวเผินแต่เป็นหลักของโลกของธรรมจริงๆผู้มุ่งต่อธรรมก็กสามารถจะตักตวงเอาผลได้อย่างสมใจด้วยข้อปฏิบัติของตนผู้ปฏิบัติทางโลกนำธรรมะไปปกครอง หน้าที่การงานบ้านเรือนก็จะเป็นผู้มีความจเจริญรุ่งเรือ ง, องนับตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงผู้ใหญ่สุดวหวนับแต่สามเณรขึ้นไปจนถึงพระเถระหากได้นำธรรมะเครื่องรับรองอันแท้จริงนี้เข้าไปปรับปรุงตนเองแล้วไม่มีสิ่งใดจะผิดหวังทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้น ธรรมะจะเป็นของผิวเผิผิวเผินหรือหล่อแหละไปอย่างไรนอกจากเราจะเป็นคนหล่ะแหละเป็นคนไม่จริงเป็นคนโยกคลอนอยู่ตลอดเวลาตั้งตัวไม่ได้เป็นคนจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังมีความเจ็ดครานความมลแอะ เป็นเจ้าเรือนฝังอยู่ภายในใจหลับไม่มีตื่นคือทมที่กล่าวนี้นี่คือทำลามกสำหรับพระเรายานํามากเกี่ยวข้องทำตัวให้เป็นที่อุ่นอกอุ่นใจของตัวทำตัวให้เป็นที่มั่นใจของตัวด้วยข้อปฏิบัติทุกวิถีทางนี่คือหลักของพระ เมื่อทำตัวให้เป็นแบบฉบับของตัวได้ทำตัวให้เป็นที่อุ่นอกอุ่นใจของตัวได้ทำตัวให้มีความสุขขึ้นเป็นชั้นๆภายในใจของตัวได้แล้วจะทำประโยชน์ให้โลกไม่ได้อย่างไรผู้มาเกี่ยวข้องโดยมากก็ต้องเป็นผู้หวังพึ่งความร่มเย็นจากธรรมะไม่ว่าชาติชั้นวันหน้าใด ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาต้องเป็นผู้หวังพึ่งศาสนาไม่มากก็หน่อยศาสนาเป็นของเย็นโลกจึงต้องอาศัยโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะใดๆทั้งนั้นศาสนาก็ให้ความอบอุ่นแก่โลกได้เท่าที่ควรแก่วความสามารถของโลกจะอาจเอื้อมได้แค่ไหนด้วยการประพฤติปฏิบัติของตน ไหนเราเป็นผู้มาบวชในพระศาสนาจะมีแต่ความหมดหวังอยู่ภายในใจภายในกายภายในความประพฤติภายในียบททั้งสี่จะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายของพระซึ่งเป็นเพศที่ล่มเย็นให้โลกได้กราบไหว้บูชาเราต้องคิดนักบวชไม่คิดไม่มีฐา นักบวชไม่เป็นแบบของโลกจะไปสอนโลกให้ดีนั่นสอนไม่ได้นักบวชต้องเป็นผู้มั่นคงจะสอนโลกให้มีความมั่นคงได้มั่นคงต่อหน้าที่การงานถ้านักบวชเป็นคนขี้เกียจจะสอนโลกให้มีความขยันหมั่นเพียรย่อมสอนไม่ได้นักบวชเป็นผู้สั่งสมกิเลสอาสวะทั้งวันทั้งคืนจะปสั่งสอนโลกให้ปล่อยวางเครื่องกังวลวุว่น ว, วายจะสอน โลกให้ปล่อยวางได้ยังไงนักบวชเป็นผู้หยาบช้าหละมกจะสอนโลกให้นิ่ให้เป็นคนดีได้ยังไงนักบวชเป็นผู้มีกิเลสตัณหาเต็มไปหมดด้วยความจงใจแห่งการสั่งสมกิเลสเองแล้วจะสั่งสอนโลกให้เขาถอดถอนกิเลสจะสั่งสอนเขาได้ยังไงเราต้องคิดพระพุทธเจ้าเป็นแบบของโลกเป็นแบบโดยถูกต้อง ไม่มีแบบใดจะเสมอเหมือนแบบพระพุทธเจ้านำโลกไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าศรัทธาเทวมนุจานงเป็นครูทั้งนคนทุกชั้นไม่เลือกเป็นครูได้เพราะทําตัวให้เป็นแบบฉบับได้ทางความประพฤตาิก็ไม่มีใครเสมอเหมือนทางความขยันหมั่นเพียรเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังก็ไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจา้า พูดถึงการรักษาศีลก็มีความเจมวดกดขันไม่มีใครจะเทียมถัดพระพุทธเจ้าสมาธิก็พระพุทธเจ้าเป็นองค์หนึ่งปัญญาก็ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าวิมุตต์ก็หลุดพ้นถึงความเป็นศาสนาเอกของโลกนี่อ่ะพระองค์ได้ถึงความจริงความจัง เป็นแบบฉบับในพระองค์ท่านโดยสมบูรณ์แล้วจึงสามารถจะสอนโลกให้ได้นำเนินเดินตามพระพุทธเจ้าได้เท่าที่ควรนั่นแบบของโลกเป็นอย่างนั้นแบบของเราจะปฏิบัติเพื่อชุดลากเราให้ขึ้นจากหล่มลึกซึ่งฝังเคยฝังอยู่ในหัวใจเราจะทำแบบไหน นำแบบไหนมาใช้แบบความอ่อนแอแบบความขี้เกียจแบบความไม่คิดอ่านแบบเอาตามอำเภอใจนี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพุเทธเจ้าว่าเป็นเครื่องจะถอดถอนสิ่งหมักผมหรือจมอยู่ภายในใจนี้ให้ได้หลุดลอยออกไปจากใจมีแต่สอนให้ชั้นทะ จงเป็นผู้มีความพอใจในหน้าที่ของตนใครจะเป็นโลกหรือเป็นธรรมให้เป็นผู้มีความพอใจในหน้าที่ของตนเช่นเราเป็นพระหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างจงทําความขมักขม้นทําความพออกพอใจกระยิ่มยิ้มย่องต่อหน้าที่ของตนโดยไม่คํานึงถึงความหนักเบาแห่งหน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบทําซึ่งตนจะควรกระทําให้สําเร็จ วิริยะสอนให้ภาเพียนเพียนทิดุกทุกวิธีทางที่เห็นว่าชอบทําแล้วให้พยายามเพียนทําความเพียนทําสิ่งใดเพียนทําให้สําเร็จพูดสิ่งสิ่งใดพยายามเพียนพูดให้ถูกต้องตามหลักธรรมอย่าพูดให้เผลคิดสิ่งใดเพียนคิดให้ถูก ตามเหตุตามผลซึ่งเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคิดออกไปข้างนอกก็เพียนคิดให้ถูกคิดเรื่องของส่วนตัวก็เพียนคิดให้ถูกคิดเรื่องของหมู่เพื่อนก็พยายามเพียนคิดให้ถูกอย่าคิดเป็นเรื่องผิดใส่บุคคลหรือใส่โลกหรือใส่ตัวเองนี่ท่านเรียกว่าเพียนเพียนอย่างนี้จิตตะมีความฝักไฟใคร่ที่จะคิดจะอ่านจะทําในกิจ หรือในหน้าที่การงานของตนเสมอโดยไม่มีการลดลนะเป็นผู้มีความฝักใยอยู่เช่นนั้นไม่มีจืดจางเหมือนเกลือที่ไม่ยอมปล่อยรสชาติของตนให้เป็นอื่นไปฉชนั้นนี่ผู้มีความฝักใ่ต่อหน้าที่การงานของตนย่อมเป็นเช่นนั้นถ้าผิดจากนั้นแล้ว ไม่จัดว่าเป็นฉันทะว่าเป็นจิตตะวิมังสาเรื่องของจิตแล้วจะคิดทั้งวันทั้งคืนดูเฉยเฉยไม่ได้ผู้มีวิมังสาแล้วต้องทราบเรื่องความคิดของตนว่าคิดไปในทางที่ถูกหรือผิดพย า, ายามไตรตรองทดสอบช่างตวงดูความคิดดูผลที่เกิดขึ้นจากความคิดดูเหตุที่เป็นเหตุให้คิด มีอะไรเป็นสาเหตุถูกหรือผิดต้องตามสอดรู้เสมอหน้าที่การงานไม่ว่าภายนอกภายในถ้าหากปราศจากวิมังษาคือความไข้ควรแล้วจะไม่สําเร็จเรียบร้อยลงเลยความดีงามเลยเฉพาะอย่างยิ่งคือกิตธุระภายในได้จากการชำรนะจิตใจของตนให้มีความสะอาดโปร่งใสขึ้นเป็นหนหากปราศจากวิมังษาคือปัญญาแล้วจิตก็จะทื่อไปอย่างนั้น ถึงจะเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแบบถือถอๆไม่มีความคล่องแคล่วแก้วกล่าท่องใสอาจหานถ้ามีมีมังสาเป็นผู้ตามรักษาเป็นผู้พานำทางแล้วสมาธิก็ลงอย่างถึงใจ คิดอะไรก็รู้อย่างถึงเหตุถึงผลไม่มีสิ่งใดจะลี้รับต่อปัญญานี้ได้นี่ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ฉันทะวิริยะกิตตวิมังสานี่คือผู้ปฏิบจะปฏิบัติศาสนาให้เจริญรุง่งเรืองทั้งส่วนตนและส่วนรวมทั้งผู้จะบำเพ็ญโลกให้มีความเจริญรุง่งเรือง จะหนีจากหลักธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ไปไม่ได้จึงควรจะเรียกได้ว่าธรรมทั้งสีประเภทนี้คือหลักของโลกและของธรรมโลกกับธรรมจะมีความเจริญรุ่งเรืองไปหากปราศจากธรรมทั้งสี่ประเภทนี้แล้วจะต้องบกคร่องหรือด้อยในส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนไม่สมบูรณ์ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศาสนาหากขาดทมทั้งสี่ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะไม่สมบูรณ์หรือไม่สมหวังรมทั้งสี่ประเภทนี้พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อใครเราเป็นนักบวชสมภูมิเต็มที่แล้วที่ควรจะเทิดทูนทมทั้งสี่ประเภทนี้ ให้มาเป็นเครื่องประดับเกียตรติของพระอยู่ภายในใจขยายออกมาทางความประพฤติหน้าที่การงานให้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์เต็มที่โดยได้พากันพิจารณา อย่าเห็นอะไรไม่สำคัญไปเสียทั้งสิน้นที่ทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์สาหรับตัวแต่อย่าเห็นสิ่งที่เป็นค่าศึกว่าเป็นสิ่งสำคัญนี่ไม่ใช่ทางของน้ำบวชจะเสาะแสวงหรือสนใจคิดอ่าจนถึงกับต้องทำไปตามอำเภอใจที่คิดเช่นนั้น ตัวได้ทำความหนักแน่นนี่เป็นหลักสำคัญผู้หนักแน่นคือผู้มีชั้นอิทธิบาทสิถ้าไม่หนักแน่นแล้วแสดงว่าไม่มีการสั่งสอนหมู่เผื่อก็รู้สึกว่าเต็มกำลัง จะให้มีความสามารถฉลาดรู้สอนยิ่งไปกว่าที่เคยสอนมานี่ผมก็ยอมจำนนมูเพื่อนมาอาศัยรับความเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์ต่อกันแล้วได้พยายามสอนเต็มกำลังความสามารถไม่มีปิดบังรี่ล่ทั้งภายนอกภายในทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด ซ้อนไปหมดและดูอนาคตของหมู่เพื่อนก็พยายามดูหลักปัจจุบันของหมู่คณะเสมอหลักปัจจุบันนี่แหละที่จะทําความเจริญหรือเสื่อมในอนาคตไม่มีสิ่งใดที่จะทําอนาคตให้เจริญหรือเสื่อมไปนอกจากหลักปัจจุบันที่กําลังดาเนินอยู่ในลานี้เท่านั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติ อย่ามองข้ามปัปัจจุบันเพื่ออนาคตเวลานี้เป็นอย่างไรตัวของเรานิสัยใจคอเป็นอย่างไรแน่นหนามันคงหรือบอกแวกคอนแทรนมีช่องโหว่อยู่ที่ตรงไหนหรือรั่วไปหมดทั้งตัวเหมือนอย่างตะกราะ้านี่ถ้าเราตั้งใจดูก็จะรู้ไม่ถึงกับจำต้องยกขึ้นสู่ต่อไฟให้ มันไหลลงดับไฟเสียหมดเหมือนอย่างมอที่รั่วนั้นะาะได้ถ้าขนาดนั้นก็รู้สึกจะเหลือประมาณเราจนไม่มีโอกาสจะทราบเราว่าเรารั่วขนาดไหนทั้งๆ ท, ที่เราเป็นนักบวชซึ่งเป็นเพศที่เจ็รณาอยู่แล้ ว, ลวเหตุใดจะไม่สามารถความบกพร่องจุดรั่วไหลของเราที่จะนำมาแห่งความทุกข์เผาร้นตนอยู่เสมอ ต้องทราบถ้าตั้งใจพิจรารณาสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีไม่ว่าขั้นใดถ้ามีหลักิธิบัติทั้งสี่เข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะนับวันจเจริญกนะ้าวหน้าสมาธิไม่เคยมีก็จะมีขอให้ทำตามแบบของพระพุทธเจ้าสอนทั้งวิธีทำทั้งอุบายที่จะทำ ทั้งทำเครื่องสนับสนุนคือความเปลี่ยนเป็นตนจะเป็นผู้เห็นสมาธิขึ้นในจิตที่กำลังฟุง้งซ่านหรือในจิตดวงฟุ้งซ่านนั้นโดยแน่นอนคำว่าปัญญาเราได้ยินแต่ชื่อท่านอธิบายว่าความฉล า, าดก็ฉล า, าดต่อเรื่องของเรานั่นแหละเมื่อพอตัวแล้วความดุพ้นจากความโง่ก็เป็นขึ้นเอง ถ้าเรียกว่าวิมุตติกิ้ายังมีกิเลตแสงอยู่จะว่าฉล า, าดเต็มภูมิไม่ได้ในหลักธรรมเมื่อปราทจากสมมุติโดยสิ้นเชิงเมื่อไรแล้วจะว่าฉล า, าดหรือไม่ฉล า, าดก็ไม่เป็นปัญหาเพราะหมดเรื่องที่จะพูดกันแล้วทั้งตัวเองก็หาที่ตำหนิไม่ได้โปรดทราบไหม ถ้าท่านผู้ปฏิบัติไม่สามารถจะทรงตนไว้ได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงมืมุดแล้วกว็หมดทางสำหรับผู้ที่จะสอนพราะพูดถึงเรื่องโอกาสวาสนาหน้าที่การงานเราสมบูรณ์ทุกด้านแล้วที่จะทำได้ทุกๆขณะ โดยไม่มีอุปสรรคใดๆมากี่ขวางนอกจากจะนอนอยู่กับความนอนใจเท่านั้นอันนี้สุดวิสัยที่จะพูดถึงและที่จะสั่งสอนกันวันนี้ก็ทำนิตนได้วันหน้าก็คือคนคนนี้ จะหาที่ชมที่ไหนไม่มีเพราะมาบำเพ็ญธรรมที่ควรจะชมให้ได้เป็นสมบัติเพื่อจะชมตนเองมีแต่เรื่องตำหนิตัวเองทั้งวันในเอียบทที่เคลื่อนไหวไปมาเราจะหาธรรมที่ควรถมได้ที่ไหนในตัวของเราเราต้องคิดพยายามบำเพ็ญตนเองวันนี้ให้ได้มีความชมตนเองเอา้าวพยายามตลอดไปอีกวันหน้าอีก ให้ในระดับวันนี้พยายามเป็นลำดับนจะมีตั้งแต่ความชมภายในตัวคนเราถ้าได้ของดีแล้วก็มีความได้มีทางจะชมกันเท่านั้นชมจนสุดยอดแห่งความชมภายในใจของเรานี่เท่านั้นบิ๊กเด